ในนาบทอัลมุนาฟิกูลบทอัลมุนาฟิกูลเป็นบทมาดานิยะมีสิเอ็ดองค์การแกนหลักของบทนี้ก็คือการกล่าวโดยละเอียดถึงการกลับกลอกสกลับของพวกมุนาฟิกูลตรงกระทั่งบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลมุนาฟิกูลหมายถึงการเปิดโปงการกระทํารรของบุคคลประเภทนี้ในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงมัญญติของพวกมูนาฟิกูล ลักษณะอันน่าเกลียดชังของพวกเขาและที่เด่นชัดคือการกล่าวเท็จและพฤติกรรมภายนอกผิดกับภายในเพราะพวกเขาจะพูดออกมาไม่ตรงกับที่พวกเขานึกคิดหรือมีความเชื่อถือนอกจากนั้นพวกเขายังขบคิดวางแผนร้ายต่อท่านรอซูลฺสลั ล, ลลอละวะเัยฺวะสัลลฺมและบรรดามุลิมบทนี้ได้เปิดโปงพวกเขาถึงการทำบัตรสี และการก่ออาชญากรรมของพวกเขาด้วยการแสดงออกถึงการเป็นอิสลามในเวลาเดียวกันพวกเขาก็พยายามขัดขวางไม่ให้ผู้คนเข้าสู่สลมด้วยเหตุนี้ภัยและอันตรายจากพวกเขาจึงนับได้ว่ายิ่งใหญ่นอกจากนี้บทนี้ยังได้กล่าวถึงคาพูดอันน่าเกลียดของพวกเขาที่เกี่ยวกับท่านรอซูลสลลอห์อะลัยฮสสลัลลสลมและการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่า การเผยแพร่ของทัลรอซูลจะล้มเหลวและ ว, ว่าพวกเขากลับมาจากสงครามบันีมุสตอลิสพวกเขาจะขับไล่ท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาให้ออกจากนครมาดินะบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้สนใจกับความเพลิดเพลียการลเล่นและสิ่งเยาวยวนของโลกนี้ จากการจงรักภักดีและการทำอิบาร์ดังต่ออัลล์ดังเช่นสภาพของพวกมูนาฟิกูนและว่าในการกระทำเช่นนั้นเป็นการขาดทุนโดยสิ้นเชิงและใช้ให้บริจาคในทางของอัลล์โดยหวังความโปรดปรานจากพระองค์พรที่โอกาสจะล่วงเลยไปในสงครามมุสตอลิดอับดุลลอฮ์อิบนูซาลูลหัวหน้าของพวกมูนาฟิกูน ได้กล่าวคำพูดอันชั่วช้าอันเนื่องมาจากว่ามีชายสองคนจากชาวอันซอรและมูฮายิรินได้แย่งชิงกันตักน้ำแล้วก็ได้วิวาทกันชาวมูฮายิรินได้เตะชาวอันซอรเมื่ออิบเนูสลูลได้เห็นเขาก็ร้องตะโกนไล่ชาวมูฮายิรินแล้วกล่าวว่าวัลลอยสภาพของพวกเรากับพวกมูฮายยีริน เหมือนกับที่มีคําพังเพยกล่าวไว้ว่าเลี้ยงหมาให้อ้วนแล้วมันก็กัดเจ้าหรือตรงกับภาษิตไทยว่าทําคุณบูชาโทษวัน ล, ลอยหากพวกเรากลับไปยังนครมาดินาแล้วเราจะให้ผู้มีเกียรติกว่าขับไล่ผู้ที่ต่ําต้อยกว่าออกจากนครมาดินาะผู้ที่มีเกียรติกว่าหมายถึงตัวของเขาและผู้ที่ต่ําต้อยกว่า หมายถึงท่านน บ, บีสุลต์ลอฮ์วาเลวัวลวสลัมและบรรดาสาวกของท่านแต่ผู้กลับกรอกมุนาฟิกผู้นี้หาได้คิดว่าเกียรติยศนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของปรุงและเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าชัยชนะความดีเด่นและความสูงส่งนั้นไม่ใช่เป็นของมูนาฟิกีพวกมุชริกีและพวกคุฟฟาร์ดแต่พวกเขาหารู้ไม่ทั้งนี้ก็เพราะว่า พวกเขามีจิตใจบอดท่านเมื่อผู้ที่ไปร่วมสงครามครั้งนี้เดินทางกลับถึงนครบันินะอับดุลลอฮ์อิบนีอับดุลลอฮ์อิบลลอนีสลูนผู้เป็นบุตรของหัวหน้ามูนาฟิกได้ไปยืนอยู่ปากทางเข้าเมืองและได้ชูดาบของเขาขึ้นเมื่อบิดาของเขาเดินทางผ่านมาเขาได้พูดกับบิดาของเขาว่าวันลอฮิท่านจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้จนกว่าท่านจะกล่าวว่า มุฮัมมัดเป็นผู้มีเกียรติยิ่งและฉันนั้นเป็นผู้ต่าต้อยกว่าผู้เป็นบุตรยังไม่ปล่อยให้วิดาของเขาผ่านไปจงกระทั่งบิดาได้กล่าวคํานั้นอับดุลลอห์ผู้เป็นบุตรนั้นเป็นมุหมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงและเป็นคนดีเด่นของชาวอันซอรหลังจากนั้นอับดุลลอห์ผู้เป็นบุตรได้ไปหาท่านรอซูลสละลลอห์อะไรวะสลัมและกล่าวกับท่านว่าโอ้ oh, ท่านรอซูล ผมได้ทราบมาว่าท่านประสงค์จะฆ่าบีดาของกระผมหากท่านประสงค์เช่นนั้นขอให้ชายผมเถิดผมจะนำศีรษะของเขามาให้ท่านถ้ารอซูลสุลลัลเลวัสลัมได้กล่าวกับเขาว่าแต่ว่าเราควรปฏิบัติกับเขาและทำดีแก่เขาตราบที่เขายังคงอยู่กับเรา <S <S ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อพวกกลับกรอกมุนาฟิกีนมหาเจ้าพวกเขากล่าวว่าเราขอปฏิยานว่า แท้จริงท่านเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์แต่เราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์อย่างแน่นอนแล้วเราทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมูนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอิแตขะดูไอมะนั้มจุนเนตาฟั ด, ดูอัลเซบิลิลลาห์อินนัมซามะคานูยะมล พวกเขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโลกเพื่อขัดขวางทางของอัลลอฮ์แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไปช่างชั่วช้าจริงๆนั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาจึงไม่เข้าใจ และเมื่อเจ้าได้เห็นพวกเขาแล้วร่างกายของพวกเขาจะเป็นที่พอใจแก่เจ้า และหาพวกเขาพูดเจ้าก็จะฟังคำพูดของพวกเขาสเสมือนว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้พวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาพวกเขาคือศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาขอล้อสงให้ความอัปยศแก่พวกเขาทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเห อ, ออกไปในทางอื่น และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถิดศาสนาทูตของอลัลลอฮ์จะขอพยาทวดให้แก่พวกเจ้าพวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปอีกทางหนึ่งและเจ้าเห็นพวกเขาผิดหลังออกไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้หญิงยะโ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لي يغفر الله لهم إن الله لا يهذل القوم الفاسقين มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขอไพร่โทษให้แก่พวกเขาหรือไม่ขอไพรโทษให้แก่พวกเขาก็ตามอัลลอด์จะไม่ทรงอาไพรโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงอัลลอด์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้ฝ่าฝฟืน <alar ic> พวกเขาคือผู้ที่กล่าวว่าอย่าบริจาคให้กับผู้ที่อยู่กับศาสนาทูตของอัลลอฮเพื่อพวกเขาจะได้แยกย้ายออกไปแต่ขุมคลังแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผนบินนั้นเป็นของอลัลลอฮแต่ทว่าพวกมูนาฟิกีนไม่เข้าใจ <S <S พวกเขากล่าวว่าถ้าเรากลับไปยังนครมาดินะพวกที่มีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกที่ต่ำต้อยออกจากนาครมาดินะส่วนอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของรพรงและบรรดาผูา้ศรัทธาแต่ทว่าพวกมนาฟิกีนนั้นหารู้ไม่ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอลอถและผู้ใดกระทำเช่นนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ที่ขาดทุน أ أ ا أ ال และจงบริจาคบางส่วนจากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ก่อนที่ความตายจะประสบแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าแล้วเขาก็จะกล่าวว่าโอ้พระผู้อิบาลของฉันหากองทรงผ่อนผันให้แก่ฉันอีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ฉันจะได้บริจาคและฉันก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย แต่ลอดจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้วแล้วลอทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ